ข้อ6กกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นอย่างไรไม่ว่าลูกจะอยู่ในชนบทเล็กๆหรือในเมืองใหญ่ๆหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สุขของส่วนรวมแล้วลูกจะต้องไม่ท้อถอยในการเป็นอาสาสมัครเช่นขุดคูส่งน้าเพื่อไว้ใช้ในานายามหน้าแรงหรือสร้างทำนบเพื่อป้องกันน้าท่วมหรือซ่อมสะพานที่ชารุด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 ถ้าเราทำดีโดยสุดจริตแล้วใครๆก็ย่อมเข้าใจและช่วยปกป้องลูกเสียอีกลูกจงอย่าท้อถอยไม่ว่าจะประสบอุปสรรคใดๆก็อย่าวางมือเป็นนันขัด